พไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14บสี่วักที่สองชื่ออนุปัฏฐาวรคแปลว่าวัคมีอนุปัฏฐสูตรเป็นหัวหน้ามีสิบสูตรพระสูตรที่11อนุปัฏฐสูตรสูตรว่าด้วยลำดับบทธรรมะพระผู้มีพระภาคประทับนเชตศวนารามตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีปัญญาและเห็นแจ้งบทธรรมตามลำดับภายในเครื่องเดือน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 ได้รู้แจ้งในสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งสองรู้เห็นอย่างไรในขันห้าที่ยึดถือสามรู้เห็นอย่างไรในธาตุหกสี่รู้เห็นอย่างไรในอายตนะภายในภายนอกหกคู่คือตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงเป็นต้น